พุทธศาสนาไม่ได้แค่สอนให้เล่นเกมทำใจจะดูว่าศาสนาหนึ่งๆสอนอะไรต้องดูว่าพระศาสนาของศาสนานั้นๆท่านต้องการอะไรจะทำความเข้าใจศาสนาพุทธง่ายที่สุดคือดูว่าเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะทรงสละเรือนออกผนวดทำไมเจ้าชายสิทธัตถะ ไม่ได้ส่งออกบวชหากินหาใช้เพราะพระองค์มีกินมีใช้อยู่แล้วเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะไม่ได้ออกบวชแก้ทุกข์ทางใจเพราะพระองค์มีสุขเยียงคนระดับเจ้าชายอยู่แล้วแถมท่านมีจิตใหญ่เป็นสุขอย่างใหญ่เกินคนธรรมดาด้วยเอาง่ายๆมนุษย์ทั่วไปหัดทำสมาธิพยายามนั่งกันทั้งชีวิตไม่เคยได้ฌานแต่ตอนเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะ อายุแค่เจ็ดขวบท่านนั่งสมาธิเล่นๆ่นครั้งแรกก็ได้ปฐมฌานเลยซึ่งนักเล่นสมาธิจะรู้ว่าการที่จะเป็นไปได้ขนาดนั้นต้องใช้ต้นทุนเก่ามาหือมามหาศาลปานใดเมื่อเข้าใจต้นทุนชีวิตของเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะคุณจะมองเห็นว่าแต่ท่านอยากได้อะไรในชีวิตอีกต้องเป็นอะไรที่ใหญ่เกินชีวิตไปมากๆมากมากว่าชีวิตของคนที่สุดพิเศษเสียด้วย เจ้าชายสิท ธ, ธัตถะทรงใช้ชีวิตทางโลกมาเรื่อยๆได้29ป่ปีวันหนึ่งท่านเห็นเด็กเพิ่งเกิดเห็นคนเจ็บป่วยทรมานเห็นคนแก่ใกล้ตายตลอดจนเห็นคนที่กลายเป็นศพทั้งหมดในเวลาไล่เลี่ยกันจิตระดับพระองค์ก็เกิดความสลดสังเวชก้าวข้ามการเห็นว่านั้นเป็นแค่มนุษย์เกิดแก่เจ็บตายแต่เห็นทะลุปไปทราบว่านั่นคือการเกิดดับ จากความเป็นสิ่งหนึ่งไปสู่ความเป็นอีกสิ่งหนึ่งเป็นการคลี่คลายกลายเป็นอื่นเช่นเดียวกับธรรมชาติทั้งหลายในโลกที่ไม่เคยมีการดับสูญท่านตัดสินเอาด้วยพระปัญญาเกินมนุษย์ว่าเกิดแก่เจ็บตายเป็นทุกข์เหมือนฟันที่เลอะเลือนท่านอยากหาความจริงที่เป็นบรมสุขซึ่งที่จะถือว่าเข้าคายสุขจริงก็ต่อเมื่อไม่แปรปลรนไปเป็นอื่นอีก สมัยนั้นสอนกันแล้วว่าที่ต้องเวียนไหวาตายเกิดก็เพราะจิตยังไม่หลุดพ้นเจ้าชายสิทธัตถะศึกษาจากครูบาอาจารย์รวมทั้งทำตามความเชื่อส่วนพระองค์ว่าเพื่อจะหลุดพ้นจากความหลงติดในกองทุกข์ก็ต้องทุกข์ให้ถึงที่สุดด้วยการทรมานกายท่านทรมานกายแบบยิ่งยวดเป็นเวลาหกปีชนิดที่ไม่มีใครในโลกทาทารุณกับร่างกายได้เท่า หลังจากทรมานจนรู้พระองค์ว่าใกล้สิ้นพระชนอีกนิดเดียวกายจะแตกแล้วพระองค์ก็ทรงเห็นว่าจิตของท่านยังไม่เลิกหลงยังทุกได้ยังคงเหลือต้อนเหตุแห่งทุกข์ค้างอยู่ให้ต้องเกิดแก่เจ็บตายกันต่อพระองค์ก็เกิดสติเห็นว่าต้นเหตุทุกข์ไม่ได้อยู่ที่กายแม้แกล้งกายให้เป็นทุกข์จนตายดับก็ไม่ได้ช่วยให้ใจหายหลงยึดไปได้เลย เพื่อหลุดพ้นจากต้นเหตุแห่งทุกข์ต้องอาศัยจิตที่มีกำลังจิตที่มีสติย่างใหญ่ไม่ใช่จิตที่ป่อแป่รอแร่ใกล้มรณานั่นเองพระองค์จึงกลับมาฉันพระกระยาหารเพื่อให้ร่างกายกลับฟื้นคืนสภาพและมีกำลังจิตกำลังใจพอจะหาทางหลุดพ้นหลังมีพะละกกำลังที่ต้นทางพระองค์ทรงเข้าฌานอย่างที่เคยทาได้ไม่ยาก ที่กลางทางพระองค์ถอนจากชานออกมาพิจารณาสิ่งที่จับต้องได้และมีอยู่จริงติดตัวได้แก่กายอันนั่งเป็นทุกข์อยู่กับใจอันคิดให้เป็นทุกข์อยู่แล้วสืบสาวที่มาที่ไปว่ากายนี้ใจนี้มาจากไหนวิธีสืบสาวของพระองค์คือระลึกไปเรื่อยๆด้วยจิตใหญ่ที่เพ่งออกจากฌานว่าก่อนมานั่งอยู่ตรงนี้ กายนี้ใจนี้ก่อเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างไล่ ย, ย้อนไปเรื่อยๆกระทั่งกายนี้ใจนี้ปรากฏในสภาพของทารกในครรภ์ก่อนเป็นทารกมาจากไหนก่อนหน้านั้นอีกนับอนันตชาติเคยเป็นอะไรมาบ้างจากนั้นท่านก็ส่องรู้อีกว่าสัตว์อื่นก็ไม่ต่างจากท่านเลยเวียนว่ายตายเกิดไปเรื่อยๆแบบไร้แก่นสาร แต่ละชาติได้ดีหรือตกยากตามกรรมมิใช่ด้วยความบังเอิญสุดท้ายที่ปลายทางท่านจึงรู้แจ้งเงื่อนปมสาคัญคือถ้าถอนจิตจากการยึดเยื่อล่อได้เลิกเห็นกายใจนี้ว่าเป็นตัวของตนได้ก็จะเป็นผู้พ้นวังวนไปได้หลังจากตรัสรู้ธรรมพระองค์พบว่านิพพานมีจริง นิพพานเป็นธรรมชาติที่เที่ยงไม่แปรปรวนไม่กลับเป็นทุกข์ไม่มีทุกข์กำเริบใหม่ท่านจึงบัญญัติให้จําว่านิพพานเป็นบรมสุขนิพพานเท่านั้นเป็นของจริงเพราะไม่เลอเลือนไปเจ้าชายสิทธิ์ถาหายไปกลายเป็นพระพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้ธรรมแห่งการสิ้นทุกข์ด้วยพระองค์เองท่านจึงสอน เ, เรื่องทุกข์และการดับทุกข์ ทุกเล็กเล็กอันเกิดจากการกระทบท่านสอนนี้มีสติให้อภัยเป็นทานไม่ขบคนผ่านเป็นมิตรทุกกลางกลางอันเกิดจากชตากรรมท่านสอนให้มีสติละเลิกบาปทั้งห้าเพื่อความไม่เดือดเนื้อร้อนใจในปัจจุบันกับทั้งเพิ่มบุญไม่จำกัดเพื่อให้จิตสว่างพร้อมพอจะมีสติรู้ตามจริง ทุกใหญ่สุดอันเกิดจากหลงยึดว่ากายใจเป็นตัวตนมีผลให้ต้องเกิดกายใหม่ใจใหม่ตามกรรมท่านสอนให้เจริญสติอย่างใหญ่นับก้าวแรกจากการรู้ลมหายใจให้เป็นไปจนใช้ทุกลมหายใจกำกับสติรู้กายทั้งตัวรู้จิตทุกดวงโดยเห็นความจริงว่าเหล่านั้นไม่เที่ยงเหล่านั้นเป็นทุกขจากการแตกดับ เหล่านั้นไม่ใช่ตัวเราหรือตัวใครถ้ามองเป็นเกมพุทธศาสนาไม่ได้สอนให้เล่นเกมทาใจทุกทีแล้วทาใจทีแต่พระพุทธเจ้าสอนให้เล่นเกมกรรมเป็นเอาตัวรอดได้โดยตัดสินว่าผู้ชนะสุดท้ายคือผู้ที่ออกจากเกมกรรมได้ดับกรรมได้พิสูจน์ได้ด้วยการดับทุกทางใจ ชนิดไม่กลับกำเริบอีกเลยไปจนตาย